ตอนนี้คุณผฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไม้นะคะกับเรื่องชีวิตโยคยีจากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคียโดยท่านปรมาหังษาโยคานันทะเริ่มสนุกแล้วนะคะโดยพื้นฐานของเรื่องอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่คุ้นเคยนี่เป็นภูมิปัญญาของคนอินเดียค่ะภูมิปัญญาโบราณผ่านศาสนาฮินดูวันนี้นําเสนอเป็นตอนที่10แล้ว กับเส้นทางชีวิตของโยคีสมัยใหม่โยคีที่มีปริญญาน่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าบางอย่างจะแตกต่างไปจากคำสอนทางพุทธศาสนาแต่ว่าหลายอย่างก็ใกล้เคียงกันแต่ที่เหมือนกันก็คือต่างมุ่งไปสู่การพัฒนาตัวเองอย่างสูงสุดในฐานะที่เป็นมนุษย์ค่ะการสแสวงหาสัจธรรมความเป็นจริง ของโลกของธรรมชาติมุกุลทะคือชื่อเดิมของท่านประมาหังษาโยคานันทะในตอนที่เป็นคารวาสนะคะเรื่องนี้เป็นอัตชีวประวัติของท่านเอาละค่ะมุกุลทะมีสิทธิ์สองคนในวันเดียวกันก็คือพี่ชายตัวเองและก็ชายหนุ่มที่ชื่อประตา ที่มาเจอกันโดยบังเอิญและก็ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เพราะว่าเขาเกิดนิมิตเห็นหน้าของมูกุญทะบอกว่าพระเจ้าทรงคล้ายๆกับ ว, ว่าทรงเปิดเผยให้เขาได้เห็นว่านี่คือคนที่จะมาเป็นอาจารย์ของเขาทั้งที่ตอนนั้นมูกุนทะยังเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่เลยและมูกุญทะก็สามารถที่จะทำข้อเสนอของพี่ชายได้เป็นผลสาเร็จ คือไปเที่ยวโดยที่ไม่มีเงินติดตัวได้กินอาหารได้เที่ยวแล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านโดยที่ไม่ได้ใช้เงินเลยแม้แต่รูปีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตอนนี้พี่ชายคือพี่อนันตะยอมฝากตัวเป็นสิทธิ์ยอมรับนับถือแล้วค่ะเชิญฟังต่อได้เลยนะคะกับตอนที่10ชีวิตโยคีย อาหารเช้าของวันรุ่งขึ้นดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศดีที่หาไม่ได้ในเช้าวันวานคือเป็นบรรยากาศดีที่แตกต่างไปจากเช้าวันวานอย่างสิ้นเชิงมูกุนทาก็บอกกับเพื่อนบอกว่าวันนี้เนี่ยจะไปเที่ยวชมทัชมาฮารก่อนที่จะเดินทางไปเซรมปอเพื่อที่จะไปหาท่านอาจารย์ด้วยกัน ทั้งคู่ก็บอกลาพี่อนันตะและก็เดินทางไปเที่ยวชมทัชมาฮารนะคะซึ่งเป็นโบราณสถานอันล้ำค่าของเมืองอักราหินอ่อนสีขาวเปล่งประกายอยู่ท่ามกลางแสงแดดจ้า รูปลักษ์ที่มีสัด ส, ส่วนสอดปรับกันอย่างสมบูรณ์แบบชัยภูมิที่ตั้งเป็นดงสนไซเปรสสนามหญ้าสีเขียวและสระน้ำอันสงบนิ่งภายในมีลวดลายละเอียดอ่อนช้อยดุดลายลูกไม้ฝังด้วยอั ญ, ญมณีมีค่าลายพวงมาลายัยกับลายขดที่สลักสล่าวขึ้นจากแผ่นหินอ่อนดูวิจิตรและงดงามด้วยสีน้าตาลกับสีม่วง ยอดโดมมีช่องให้ลำแสงส่องลงมาต้องหีบพระศพจำลองของจักรพรรดิชาเจฮานกับพระนางมุมตัชอายมาฮานราชินีคู <unstoppable insane repetition> ่อาณาจักรและคู่พระไทยของพระองค์เมื่อเที่ยวกันพอแล้วมุกุลทะก็อยากจะไปพบกับอาจารย์ศรียุคเตสวนทันทีจีเตนทรกับเขา จึงนั่งรถไฟลงใต้ไปทางเบงกอแต่แล้วจีเตีนทรก็เปลี่ยนใจบอกว่ามูกุนทะฉันไม่ได้เจอคนที่บ้านมานานหลายเดือนแล้วฉันเปลี่ยนใจดีกว่าเอาไว้คราวหน้าฉันค่อยไปกราบคารวะอาจารย์ของนายที่เซรัมปอ์ก็แล้วกันนะจีเตนทรแยกจากมุกุนทะที่กราการตามุกุนทะจึงขึ้นขบวนรถธรรมดาไปเซรัมปอ ที่อยู่ถัดไปทางเหนือเพียง12ใหไมล์เท่านั้นคือใกล้กันมากเขาพระเจ้าใจระทึกด้วยความพิศวงเมื่อคิดขึ้นมาได้ว่าเวลาได้ผ่านไป28วันแล้วนับจากที่ได้พบกับอาจารย์ที่พารณนสีแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเธอจะกลับมาหาครูภายใน4สัปดาห์แล้วตอนนี้ ข้าพเจ้าก็มาแล้วจริงๆยืนใจเต้นรัวอยู่กลางสนามหญ้านาอาสมในตรอกราอีคาตอันเงียบสงบนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าย่างเท้าเข้ามาในอาสมที่ตนเองจะได้ใช้ชีวิตช่วงที่ดีที่สุดสิบปีนับจากนี้ไปกับองค์ยานาวตาลหรือองค์อวตารแห่งปัญญาของอินเดีย จากนั้นมูกุลทะก็ก้าวเข้าไปในอาสมของท่านสียุคเตสวนมาแล้วหรือขอรับอาจารย์กระผมมาที่นี่เพื่อขอติดตามท่านขอรับท่านสียุคเตสวนนั่งอยู่บนหนังเสือที่ปูบนพื้นห้องน้ำเสียงของท่านเย็นชา กริยาเฉยเมยไม่สออารมณ์ใดๆในขณะที่มุกุลทะคุกเข่าลงแตะเท้าท่านแสดงความเคารพจะเป็นไปนได้อย่างไรเธอเมินเฉยต่อความประสงค์ของครูเพราะว่าท่านเคยบอกให้เขากลับบ้านแล้วเขาไม่ยอมกลับกระผมจะไม่ทําเช่นนั้นอีกแล้วขอรับกระผมจะถือเอาความประสงค์ของท่านเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คอยอย่างชัวหน่อยนับแต่ น, นี้ครูจะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเธอเองกระผมยินดีมอบชีวิตให้อาจารย์จัดการทุกอย่างตามแต่จะเห็นควรขอรับถ้าเช่นนั้นความประสงค์แรกของครูก็คือเธอจะต้องกลับบ้านไปหาครอบครัวครูต้องการให้เธอเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย ก, ละกะาลากาตาเธอควรจะได้รับการศึกษาสูงกว่านี้ ได้ขอรับมูกุญทะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องรับปากเขานึกในใจว่านี่เราจะหนีตำราเรียนในหลายปีไม่พ้นจริงๆหรือสมัยก่อนมีพ่อคอยเคี่ยวเข็นให้เรียนหนังสือตอนนี้ยังมีท่านอาจารย์ยรยสียุคเตสวนอีกวันหนึ่งข้างหน้าเธอจะได้เดินทางไปยังโลกตะวันตก ถึงผู้คนที่นั่นจะมองครูชาวฮินดูแปลกๆ แ, แต่ถ้าครูผู้นั้นมีปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้อยท้ายพวกเขาก็จะยอมเปิดใจรับภูมิปัญญาของอินเดียเราได้ง่ายขึ้นอาจารย์ขอรับอาจารย์ย่อมรู้ดีว่าสิ่งใดดีต่อกระผมที่สุดในใจของมุกุนทะนั้น ยังรู้สึกว่าโลกตะวันตกเป็นเรื่องที่น่าชงนแล้วก็ไกลตัวเกินไปเขายังนึกอะไรไม่ออกแต่การเอาใจอาจารย์นี่ต่างหากเป็นเรื่องที่จําเป็นที่สุดในตอนนี้อาจารย์ต้องการอะไรก็ต้องทำตามนั้นถ้าอยู่ที่กาละกัต้าเราก็จะใกล้กันนิดเดียวว่างเมื่อไรเธอก็มาที่นี่ได้ทุกเมื่อถ้าเป็นไปได้ กระผมจะมาทุกวันเลยขอรับอาจารย์กระผมน้อมรับอำนาจสิทธิ์ขาดที่ท่านมีเหนือชีวิตกระผมในทุกๆประการโดยมีข้อแม้อย่างเดียวอะไรหรืออาจารย์ต้องสัญญาว่าจะเผยองค์พระเป็นเจ้าให้กระผมได้เห็น mm hmm. เธอจึงเรียกร้องจะเอาให้ได้เสียจริงๆ mm hmm. ทั้งคู่ถกเรื่องนี้กันนานเป็นชั่วโมง เพราะว่าคนที่เป็นครูของชาวอินเดียนั้นพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นคือในสังคมของชาวฮินดูคนที่เป็นครูหรือว่าครุถือเป็นเรื่องที่จริงจังมากนะคะที่จะต้องทำตามคำพูดที่รับปากเอาไว้กับสิทธิ์แต่ในที่สุดท่านสียุคเตสวนก็ยอมลูกศิษย์ในท้ายที่สุด เอาเถิดความปรารถนาของเธอก็คือความประสงค์ของครูมุกุญทะรู้สึกโล่งใจเงามืดที่ครอบคลุมมาชั่วชีวิตปริดปลิวไปจากใจของเขาเขารู้สึกว่าการค้นหาแบบสเปสปะน่าจะถึงคราวสิ้นสุดลงเสียทีมาเถอะ ครูจะพาเธอไปดูอาสมอาจารย์ลุกจากพรมหนังเสือมุกุลทะกกวาดสายตาไปรอบๆห้องแล้วสังเกตเห็นบนผนังห้องมีภาพซึ่งครองมาลายดอกมะลิเอาไว้เป็นเครื่องบูชาทลาฮิริมหัสยะนี่ใช่ท่านครุเทวะของครูเองท่านเป็นมนุษย์และโยคียที่ยิ่งใหญ่ กว่าอาจารย์ท่านใดที่ครูเคยได้พบมาในชั่วชีวิตนี้ข้าพเจ้าค้อมศีษะลงเบื้องหน้าภาพถ่ายที่เคยคุ้นเงียบๆส่งจิตคารวะต่อท่านครุผู้ประเสริฐเลิศล้ำผู้แผ่บรารมีมาปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าตั้งแต่ยังเล็กและได้ชี้นำทางให้กับข้าพเจ้าเรื่อยมาตราบจนถึงชั่วขณะจิตนี้ จากนั้นท่านอาจารย์ก็พามุกุลทะเดินดูจนทั่วตัวอาสมและอนาบริเวณโดยรอบอาสมหลังนี้กว้างขวางใหญ่โตเก่าแก่และก็ก่อสร้างด้วยความพิถีพิถันมีระเบียงเสาขนาดมหือมารายล้อมอยู่รอบลานกว้างกําแพงด้านนอกมีตะไคร่น้ำจับเหนือหลังคาแบนบราบสีเทาขึ้นไป มีฝูงนกพิราบตีปีกอยู่พื้นภาพพวกมันยึดเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาสมเป็นที่พักพิงโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใดสวนท้ายอาสมก็ร่มรื่นด้วยต้นขนุนมะม่วงและก็กล้วยห้องหับชั้นบนมีระเบียงราวลูกกรงยื่นออกมาหาลานบ้านจากสามด้านห้องโถงชั้นล่างกว้างขวางเพดานสูง รองรับด้วยเสาต้นใหญ่เรียงเป็นแถวยาวอาจารย์บอกว่าโดยหลักๆแล้วจะเข้ามาใช้ห้องนี้เฉพาะในช่วงงานทุรคาบูชานั่นคือพิธีบูชาองค์ทุรคาเทวีงานเทศกาลสำคัญของแคว้นเบงกอลนะคะซึ่งส่วนใหญ่นิยมจัดในช่วงเดือนกันยาถึงตุลาทุรคาแปลว่าผู้ไม่อาจเข้าถึงได้เป็นพระนามหนึ่งของพระอุมา เป็นศักดิ์หรือพลังสร้างสรรค์ในรูปของอิทธิภาวะและก็ในคำพีกล่าวว่าทรงเป็นผู้กำราบอสูรและปีศาตร้ายทั้งปวงจากนั้นท่านก็พามุกุลทะเดินขึ้นบันไดแคบๆไปยังห้องนั่งเล่นของท่านซึ่งมีระเบียงเล็กๆหันออกไปทางถนน อาสมนี้ตกแต่งแบบเรียบๆทุกอย่างดูธรรมดาแต่สะอาดและก็เหมาะกับประโยชน์ใช้สอยเก้าอี้มานั่งและโต๊ะแบบตะวันตกก็มีให้เห็นอยู่หลายตัวอาจารย์ชวนเข้าไปเจ้าให้ค้างคืนที่นี่อาหารค่ำวันนี้คือแกงกะหรี่ผักผู้ยกมาคือสิทธิ์รุ่นยาวสองคนที่เข้ามาฝึกตนอยู่ในอาสมแห่งนี้ อาจารย์ครับถ้าอาจารย์จะ ก, กรุณากระผมอยากรู้เรื่องราวชีวิตของอาจารย์บ้างตอนนั้นมุกุลทะนั่งอยู่บนเสือฟางใกล้กับพรมหนังเสือของท่านหลังระเบียงดวงดาวทอแสงสุกสกาวเราอยู่ใกล้เพียงแค่เอือ้อมแล้วท่านอาจารย์ก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของท่านว่า ชื่อสกุลของท่านคือปริยานาตการานท่านเกิดที่นี่ในเมืองเซรอมป์อพ่อของท่านเป็นพ่อค้าที่มีฐานะทิ้งคฤหาดของบรรพุรุษเอาไว้กับท่านซึ่งท่านเปิดใช้เป็นอาสมในเวลานี้อาสมนี้ก็คือครุหาด ของตระกูลท่านนั่นเองในวัยเด็กท่านเขารับการศึกษาในระบบแค่นิดๆหน่อยๆเพราะเห็นว่ามันช้าและตื้นเขินนักสมัยที่ยังหนุ่มท่านก็มีครอบครัวคือทาหน้าที่ของขราชกาโดยสมบูรณ์และก็มีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ออกเรือนไปเรียบร้อยแล้วคร้นล่วงเขาไหกลางคน ท่านก็นได้รับการชี้แนะจากท่านลาหิริมหัสยะหลังภรรยาตายจากท่านก็บวชเข้าสํานักสวามีและได้รับฉายาว่าสียุคเตสวนคิรียุคเตสวนแปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกับอีสวนคิรีเป็นสร้อยที่ระบุถึงสาขาหนึ่งใน10ใน10บสาขาของสํานักสวามีอันเก่าแก่ สีแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ดีงามไม่ใช่ชื่อนะคะแต่เป็นคำเรียกหาเพื่อแสดงความเคารพนี่คือเรื่องราวชีวิตที่เรียบง่ายที่ท่านสียุคเตสวนเล่าให้กับลูกศิษย์มัดมาคือมุกุลทะได้ฟัง อาจารย์มองสีหน้ากระหายใคร่รู้ของข้าพเจ้ายิ้มยิ้มแต่นี่ก็เหมือนกับการเล่าชีวประวัติแบบคร่าวๆโดยทั่วไปที่ให้เฉพาะข้อเท็จจริงอันเป็นเปลือกนอกมีได้เผยให้เห็นถึงตัวตนที่อยู่ภายในแม้สักน้อยอาจารย์ขอรับแล้วเรื่องราวสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่ละขอรับ ครูจะเล่าให้ฟังสักสองสามเรื่องก็แล้วกันแต่และเรื่องมีกติสอนใจให้ด้วยนะดวงตาของท่านเป็นประกายวาวพร้อมๆกับคำเตือนนั้นครั้งหนึ่งแม่ของครูพยายามจะหลอกให้ครูกลัวจึงเล่าเรื่องผีในห้องมืดให้ฟังครูตรงไปที่ห้องนั้นทันที แล้วกลับมาบ่นกับแม่เสียยกใหญ่เพราะผิดหวังที่ไม่เจอผีเลยสักตัวนับจากนั้นมาแม่ก็ไม่เล่าเรื่องสยองขวัญให้ครูฟังอีกเลยเรื่องราวครั้งนี้ให้ข้อคิดว่าจงเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วความกลัวนั้นจะไม่มีอิทธิพลเหนือเราอีกต่อไปอีกเรื่องนั้นจำได้ว่าตอนอยังเด็กเพื่อนบ้านของครู มีลูกหมาหน้าตาหน้ากเกลียดแต่ครูก็อยากจะได้มันมากถึงขนาดตามเซาซีคนทั้งบ้านอยู่หลายสัปดาห์ไม่ยอมเลิกจะเอาลูกหมานั้นให้ได้หลายคนบอกว่าจะหาลูกหมาที่น่ารักกว่ามาให้แต่ครูก็ไม่ยอมฟังขอคิดจากเรื่องนี้คือความยึดมั่นอันเนื่องมาจากกิเลสย่อมทําให้มนุษย์ตามืดบอด มองสิ่งที่ตนปรารถนาว่าสวยงามน่าพึงใจไปหมดสุดแท้แต่จินตนาการจะพาไปเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กครูเคยได้ยินแม่พูดอยู่บ่อยว่าคนที่ยอมทำงานอยู่ใต้อํานาจคนอื่นก็คือทาดุเราดีๆนี่เองครูฟังใจกับคำพูดนี้จนไม่ยอมเข้าทำงานในตำแหน่งใดๆแม้หลังแต่งงานแล้ว แต่ก็หาเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยการเอาทุนรอลของครอบครัวไปลงทุนทำธุรกิจที่ดินคติสอนใจการให้คาชี้แนะที่ดีและมีคุณประโยชน์ควรกระทำตั้งแต่ยังเด็กเพราะเด็กรับรู้ได้ไวและจะจดจำสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังไปตราบชั่วชีวิตพอเล่าจบอาจารย์ก็งเงียบเสียงไปเราเที่ยงคืน อาจารย์ก็พามุกุลทะไปที่เตียงเล็กๆคืนแรกภายใต้ชายคาของอาจารย์มุกุลทะนอนหลับสนิทและเป็นสุขอย่างที่สุด อ, อาจารย์สียุคเตสวนเลือกเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันถ่ายทอดกิริยาโยคะให้กับข้าพเจ้าถึงแม้ข้าพเจ้าจะเคยได้เรียนรู้โยคะวิธีนี้จากพ่อและท่านเกพรานันทะผู้เป็นสิทธิ์ของท่านลาฮิริมหัสยะมาแล้วแต่อาจารย์ทรงไว้ซึ่งพลังในการถ่ายทอดเพียงได้รับสัมผัสจากท่านข้าพเจ้าก็รู้สึกถึงแสงที่ทะลุทะลวงเข้าหาสว่างจ้า เรากับมีดวงอาทิตย์นับพันมาแข่งกันสาแสงใส่ใจข้าพเจ้าท่วมท้นไปด้วยปิติสุขอันยากจะบอกมันหลากล้นซึมซ่านเข้าไปไม่เว้นแม้แต่ในซอกมุมที่ลึกที่สุดก <I am. S 1> ว่าข้าพเจ้าจะตัดใจไปจากอาสมได้ก็ล่วงเข้าบ่ายแ ก, แก่ของวันถัดมา เธอจะกลับภายใน30สวันคำทำนายอันแม่นยำของอาจารย์ผุดขึ้นมาในใจขณะที่มู่กุนทะก้าวเท้ากลับเข้าบ้านที่ ก, ลกาลกาตาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขากลัวว่าญาติพี่น้องจะต้องเย้ยหยันว่าเขาไปไม่รอดแต่พอกลับมาบ้านจริงๆตามคำทำนายของอาจารย์ตามนั้นเป๊ะเลยกลับไม่มีใครในบ้าน เอ่ยวาจาเสียดแทงใจอย่างที่เขากกรวเข้าไปเจ้าขึ้นไปยังห้องเล็กใต้หลังคาของตัวเอง <I am S 1> กวาดสาตามองไปรอบๆด้วยความสนิทเสนหหา <I am S 1> เหมือนหนึ่งมองสิ่งมีชีวิตก็ไม่ปาน ห้องน้อยเอ๋ยเจ้าเห็นฉันทั้งในยามฝึกปฏิบัติสมาธิในยามโศกเศร้าและในยามที่ถูกมรสุมรุมเรา้าบนเส้นทางแห่งการแสวงหาพระเป็นเจ้าตอนนี้ฉันได้มาถึงฝั่งฝันได้พบกับผู้เป็นครุเทวะของฉันแล้วลูกรักพอดีใจกับเราทั้งคู่ ลูกได้พบกับครุของลูกเรากับปาติหารไม่ต่างจากตอนที่พ่อได้พบกับอาจารย์ของพ่อมูกุนทะนั่งอยู่กับพ่อในยามเย็นอันเงียบสงบและได้สนทนากันพ่อบอกว่าทนลาิริมหัสยะยังยื่นมือมาปกปักรักษาเราอยู่ไม่ได้ห่างหายไปไหนก็อย่างที่เห็นกันอยู่ว่า อาจารย์ของลูกไม่ใช่โยคีผู้ปรีกวิเวกอยู่ในหิมาลายอังห่างไกลแต่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองพ่อเฝ้าสวดอ้อนวอนพระเป็นเจ้าขออย่าทรงพรากลูกไปไกลตาแม้ในยามที่ลูกออกแสวงหาพระองค์ก็ตามในที่สุดพระองค์ก็ทรงตอบรับคาสวดอ้อนวอนของพ่อและยิ่งพ่อรู้ว่ามุกุลทะจะกลับเข้าเรียนในระบบอีกครั้งพ่อก็ยิ่งดีใจขึ้นไปอีก รีบจัดการทุกอย่างให้จนเรียบร้อยวันต่อมามูกุนทะก็ได้มาลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยสกอตติ h เชิร์ชใกล้ๆบ้านในกนละกจตาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวกลับมาหลังเพลงนี้ค่ะ หลังจากที่มุกุลทะได้ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยสกอตติชเชิร์ชใกล้ๆบ้านในกาลากาตาตามคำสั่งของท่านอาจารย์แน่นอนนะคะมุกุลทะก็มักจะขาดเรียนเป็นปกติวิสัยเนื่องจากว่าเวลาทั้งหมดของเขา มักจะไปอยู่ที่อาสมที่เซรามปอและไม่ว่าเขาจะไปบ่อยสักแค่ไหนอาจารย์ก็ไม่เคยเอ่ยปากท้วงติงแต่ประการใดและก็ไม่เคยถามถึงเรื่องการเล่าเรียนในวิทยาลัยด้วยทำให้มุกุลทะรู้สึกโล่งใจเป็นอันมากถึงแม้ว่าเขามักจะไม่ค่อยเข้าเรียน แล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่อาสมของท่านอาจารย์แต่บุกุลทะก็สามารถเอาตัวรอดสอบผ่านชนิดเชียดเส้นยาแดงผ่าแปดมาได้ทุกครั้งไปไม่ค่อยได้เข้าเรียนไม่สนใจที่จะเรียนแต่ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้สอบผ่าน <S <S ในบทนี้มีการเล่าถึงวิถีชีวิตของโยคี คือท่านสียุคเตสวนที่เป็นอาจารย์ของท่านโยคานันทะซึ่งตอนนี้เป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ามุกุลท้าอนะคะท่านก็นเล่าบอกว่าอาจารย์ศรียุคเตสวนนั้นท่านจะตื่นนอนก่อนฟ้าสางเข้าสมาธิเข้าสมาธิทั้งๆ้ที่ยังคงนอนราบอยู่บนเตียงแต่บางครั้งก็ลุกขึ้นนั่งให้เป็นกิจจลักษณะถามว่า ถ้าอยากรู้ว่าท่านตื่นนอนแล้วหรือยังหมายถึงว่าท่านตื่นจริงๆรหรือเปล่าท่านกำลังทำสมาธิอยู่หรือว่าท่านตื่นแล้วเนื่องจากว่าจะอยู่ในท่านอนเหมือนกันสังเกตได้ง่ายมากคือถ้ามีเสียงกล่นดังสนั่นวันไหวนั่นแสดงว่าท่านหลับอยู่แต่ถ้าเสียงกล่นดังสนั่นวันไหวเงียบลง นั่นแสดงว่าท่านตื่นแล้วเมื่อท่านตื่นท่านก็จะหายใจออกแรงๆสักครั้งสองครั้งไม่ก็ขยับตัวเล็กน้อยแล้วก็นิ่งเงียบไปจนจับลมหายใจไม่ได้คือเข้าสู่ภาวะของสมาธิที่ลึกมากจนกระทั่งจับลมหายใจไม่ได้หลังจากที่ท่านตื่นแล้ว ท่านก็จะเดินเล่นเลาะริมฝั่งแม่น้ำคงคาซึ่งการเดินเล่นกับอาจารย์ศรียุกเตสวนในยามเช้าเป็นความทรงจำที่ยังคงจมชัดและก็งดงามของท่านโยคานันทะเมื่อคิดขึ้นมาทีไรข้าพเจ้าเป็นต้องนึกเห็นภาพตัวเองอยู่ที่ข้างกายท่านทุกครั้งไปอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ สาแสงอันอบอุ่นลงบนแม่น้ำขณะที่เสียงอันก้องกังวานของอาจารย์เผยให้เห็นถึงปัญญาอันแท้จริงของท่านล้างอาบน้าเสร็จเราจะกินอาหารกันในตอนเที่ยงวันการตระเตรียมอาหารนั้นอาจารย์จะมีคำสั่งลงมาในแต่ละวันโดยมีสิทธิ์รุ่นยาวสองคนคอยรับผิดชอบดูแลด้วยความพิถีพิถันอาจารย์ฉันอาหารมังสวิรัต แต่ก่อนออกบวชท่านก็เคยกินไข่กินปลามาก่อนท่านมักจะแนะนำสิทธิ์ให้กินอาหารง่ายๆซึ่งเหมาะกับร่างกายของแต่ละคนตัวอาจารย์เองนั้นฉันน้อยปกติแล้วท่านจะฉันข้าวหุงกับขมิน้นหรือไม่ก็หุงกับน้ำซึ่งคั้นมาจากหัวบีดหรือว่าผักโขมแล้วก็พรมด้วยขี่ หรือว่าเนยใสยที่ได้จากนมกระบือก็คือได้จากเป็นเนยที่ได้จากนมควายนะคะพรมเนยเล็กน้อยบางวันก็อาจจะเปลี่ยนไปชั้นแกงถั่วที่เรียกว่าดานหรือแกงกะหรี่ผักที่เรียกกันว่าชนะแผงดานนี่เป็นแกงถั่วข้นๆนะคะทำจากถั่วซีกหรือว่าถั่วชนิดอื่นๆก็ได้ช น, นะคือเนยแข็งที่ทำจากนมสดปั่นให้ข้นแข็ง บ่มให้ออกรสเปรี้ยวมักจะหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้แกงใส่มันฝรั่งส่วนของหวานถ้าไม่ใช่มะม่วงหรือส้มกับข้าวยาคูก็ต้องเป็นน้ำขานุนคันน้ำขานุนคันนี่นึกไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้านเรานี่ไม่ได้กินขนุนคันนะคะ เขาคันยังไงก็ไม่ทราบเนาะในแต่ละวันก็จะมีแขเกเรือที่หลังไหลามาพบกับอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์ก็จะต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความสุภาพและด้วยความเมตตาเสมอหน้ากันท่านคือครูบาอาจารย์ผู้ตรหนักรู้ว่าตนนั้นคือวิญญาณอันไม่ขึ้นต่อการเวลาและสถานที่ หาใช่สังขารหรืออัตตาท่านจึงมองทะลุไปเห็นถึงแก่นแท้ที่ไม่ต่างกันของมนุษย์ทั้งหลายได้อย่างชัดแจ้งความไรซึ่งอคติของโยคีผู้บรรลุธรรมบังเกิดขึ้นจากปัญญายานโฉมหน้าที่ผันแปรไปไม่มีที่สิ้นสุดของมายาไม่อาจลวงตาพวกท่านได้อีกต่อไปความชื่นชอบและชิงชัง ที่ทำให้วิจารณญาณของปุถุชนผู้มืดบอดไข้เขวก็หามีอำนาจครอบงมพวกท่านได้ไหมท่านครุษียุคเตสวนไม่เคยให้ความสำคัญกับผู้มีอำนาจมีเงินตราหรือมีความสำเร็จมากเป็นพิเศษในขณะเดียวกันท่านก็ไม่เคยดูถูกดูแคลนผู้ยากจนหรือด้อยการศึกษาถ้าเป็นถ้อยคำอันจริงใจแม้ออกมาจากปากเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาท่านก็ยังฟังอย่างตั้งใจ และมีบ้างบางครั้งที่ท่านแสดงให้เห็นชัดๆว่าเมินเฉยต่อการอวดรู้ของพวกบัณฑิตที่ถือดีคือถ้าเกิดว่าจะมาลองของจะมาอวดรู้ท่านก็จะทำเฉยๆนี่คือภารกิจนะคะนั่นก็คือการสั่งสอนผู้คนที่มาเยี่ยมเยียนท่านมาสนทนาธรรมกับท่านพอถึงสองทุ่มก็จะเป็นเวลาอาหารค่ำ แต่บางครั้งก็ยังมีแขกบางคนที่ยังคงอ้อยอิงไม่ยอมกลับซึ่งถ้าแขกยังไม่กลับอาจารย์ก็จะไม่ยอมปรีกตัวไปชั้นอาหารแต่โดยลําพังและจะไม่ยอมให้แขกกลับจากอาสมไปทั้งที่ท้องหิวหรือไม่พอใจเป็นอันขาดแขกบางคนที่มายือนอย่างกระทันหันโดยที่ทางอาสมไม่ทันได้เตรียมตัวในเรื่องของอาหารท่านอาจารย์ก็มีวิธี ในการที่จะต้อนรับแขกที่มาเยือนอย่างไม่บอกไม่กล่าวภายใต้การสั่งการด้วยความรอบรู้สารุสิทธตของท่านจึงสามารถดัดแปลงอาหารที่มีอยู่เพียงน้อยนิดให้เพียงพอที่จะเลี้ยงคนจํานวนมากได้ตัวอาจารย์เองก็ยึดหลักในการใช้อย่างมัธยัตยโดยใช้เงินอันน้อยนิดให้ได้ประโยชน์สูงสุด ท่านมักจะสอนอยู่เสมอว่าจงใช้จ่ายอย่างพอตัวการใช้จ่ายเกินตัวจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการจัดงานรื่นเริงในอาสมการปลูกสร้างการซ่อมแซมหรือว่าการงานด้านอื่นออาจารย์จะดูแลจัดการรายละเอียดทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของท่าน พอถึงยามค่าอาจารย์ก็จะหยิบยกธรรมขึ้นมาแสดงให้ลูกศิษย์ฟังซึ่งตรงนี้เป็นเสมือนดั่งขุมทรัพย์ที่ทรงคุณค่าเหนือการเวลาทุกถ้อยร้อยคําของท่านกรรองออกมาจากปัญญาวิธีการพูดของท่านมีเอกลักษณ์ที่ชายชัดถึงความเชื่อมั่นในตนเองด้วยจิตอันบริสุทธ ท่านอธิบายทำได้อย่างที่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นใครทำได้เช่นนี้มาก่อนสิ่งที่ท่านคิดท่านจะต้องนํามาช่างน้ำหนักตรึกตรองอย่างรอบครอบแล้วจึงจะพูดออกไปสาระสําคัญของสัจธรรมที่ครอบคลุมในทุกแงม่มุมไม่เว้นแม้กระทั่งในแง่สรีระศาสตร์หลั่งไหลออกมาจากปากของท่านประหนึ่งสุคนธรสที่แผ่กาจายออกมาจากวิญญาณของท่านกระนั้น ข้าพเจ้ารู้สันึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองได้มาอยู่กับองค์อวตารแห่งพระเป็นเจ้าทิพยบารมีของท่านทำให้ข้าพเจ้าต้องน้อมศีรษะลงศักการะโดยอัตโนมัติท่านอาจารย์สียุคเตสวนเป็นคนที่ไม่อ้อวดเลยท่านไม่เคยวางมากโอ้อวด ว่าตนเองเข้าถึงพระเป็นเจ้าถ้ามีใครมองออกว่าท่านเริ่มอย่างจิตเข้าหาพระเป็นเจ้าอาจารย์ก็จะรีบชวนคนผู้นั้นสนทนาในเรื่องอื่นไม่ออวดว่าท่านไปถึงไหนแล้วพอใกล้เที่ยงคืนอาจารย์ก็อาจจะพร้อยหลับไปเหมือนเด็กเด็กเล็กๆคือหลับง่าย แล้วก็ไม่จู้จี้จุกจิกในเรื่องที่หลับที่นอนท่านมักจะเองกายลงนอนบนเก้าอี้นวมยาวตัวแคบๆทางด้านหลังพรมหนังเสือที่ท่านมักใช้นั่งอยู่เป็นประจำที่นอนของท่านไม่มีแม้กระทั่งหมอนรองศีรษะการเสวนาเรื่องปรัชญากันตลอดทั้งคืนก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติวิสัย สิทธุทุกคนสามารถหยิบยกหัวข้อที่ตนสนใจจริงๆขึ้นมาถกกับอาจารย์ได้ได้ฟังการสนทนาธรรมเยี่ยงนี้ทีไรมุกุลทะก็จะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือว่าง่วงนอนเลยคือฟังได้ไม่เบื่อและเมื่อการเล่าเรียนธรรมะในยามวิการจบลงอาจารย์ก็มักจะเอ่ยชวนไปเดินเล่นที่แม่น้ำคงคา อ้าวฟ้าสางแล้วพวกเราไปเดินเล่นที่แม่น้ำคงคากันเถอะคืออาจารย์นี่มีพลังล้นเหลือมีเรื่องเล่าหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเป็นบทเรียนที่ถือว่าเป็นที่สุดในการมาใช้ชีวิตอยู่กับอาจารย์ในช่วงเดือนแรกๆนั่นก็คือบทเรียนการเอาชนะยุงหรือวิธีเอาชนะยุงเจ้าปัญหา พูดถึงยุงไม่ว่าใครก็ไม่อยากถูกยุงกัดนะคะเราก็ต้องหาวิธีที่จะป้องกันยุงหมูกุนทาก็เช่นกันตอนอยู่บ้านครอบครัวก็จะกางมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัดในตอนกลางคืนมูกุนทักก็ออกจากสยองอยู่ไม่น้อยเมื่อมาอยู่ที่อาศรมในเซรามปอของท่านครุศียุกเตสวนแล้วก็พบว่าที่นี่ไม่มีมุง้ง แล้วก็ไม่สนใจในการที่จะป้องกันยุงและยุงที่นี่ก็ชุ่มมากด้วยตัวของมุกุลทะถูกยุงกัดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจนอาจารย์ก็อดที่จะนึกเวทนาไม่ได้จนวันหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าไปหาซื้อมุ้งให้ตัวเองสักหลังไปแล้วซื้อเผื่อครูอีกหลังด้วยอาจารย์หัวเราะ ก่อนจะพูดต่อว่าคืนซื้อของเธอมาแค่หลังเดียวครูคงไม่แคล้วถูกยุงแห้มาสูบเลือดกันทั้งฝูงแนะ่มูกุนทะก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์ด้วยความดีใจนะคะทุกคืนที่เขามาค้างที่เซรามปออาจารย์ก็จะไหว้วานให้มูกุนทะเนี่ยกลางมุ้งให้ท่านก่อนที่จะเข้านอนทีนี้มีอยู่คืนหนึ่ง ฝูงยุงก็แห่กันมาล้อมรอบคือเมื่อล้อมรอบมุกุลทะแล้วก็อาจารย์เอาไว้รอบด้านคือพอตกข้ามยุงก็มาแต่อาจารย์ก็ยังไม่บอกให้มุกุลทะไปกลางมุ้งให้เหมือนเคยมุกุลทะก็นิ่งฟังเสียงยุงบินหึงหึงหึงหึงอย่างร้อนใจว่าเอ๊ะเมื่อไรจะบอกให้ไปกลางมุ้งสถทีขณะล้มตัวลงนอน มมกุณท้าก็แผ่เมตตาให้ยุงไปทั่วทุกทิศทุกทางผ่านไปครึ่งชั่วโมงอาจารย์ก็ยังไม่สั่งให้กลางมุ้งสถิทเขาก็ได้แต่แกล้งทำเป็นกระแอมกระไอหวังจะเรียกความสนใจจากอาจารย์คิดแต่ว่าตัวเองเห็นจะถูกยุงรุมกัดจนต้องคลุ้มคลั่งไปเป็นแน่แล้วไหนจะเสียงหึง่งหึงที่ดังอยู่ข้างหูตอนพวกมันกาลังสูบเลือดเอาอีกเล่า แต่อาจารย์ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆข้าพเจ้าจึงย่องเข้าไปดูท่านระวังไม่ให้เกิดเสียงรบกวนแต่ปรากฏว่าท่านไม่หายใจนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้เห็นท่านในยามอย่างจิตลงสู่โยคะญาณทำเอาข้าพเจ้าสะดุ้งตกใจทําอะไรไม่ถูกไปเลยมูกุลทาตอนนั้นก็ตกใจมากหรือว่าอาจารย์หัวใจวายตายไปแล้ว ข้าพเจ้าคว้าเอากระจกมารอไว้ใต้จมูกของท่านแต่ก็ ม, มีคือไม่มีไอจากลมหายใจจับผิวกระจกแม้สักกระเพกเพื่อให้แน่ใจเป็นสองเท่าข้าพเจ้าถึงกับเอานิ้วปิดปากปิดจมูกท่านไว้ตั้งหลายนาทีร่างท่านเย็นเฉียบและแน่นิ่งข้าพเจ้าหันขับไปทางประตูหมายจะไปเรียกคนมาช่วยแต่อาจารย์ก็พูดขึ้นมาซะก่อนว่าง พอนักทดลองอ่อนหัดหน้าเวทนาจมูกเช่นเสียจริงอาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงกลัวหัวระแล้วทำไมเธอถึงไม่หลับไม่นอนโลกทั้งโลกมันจะยอมเปลี่ยนให้เธอหรือ ก, ก็เปล่าเธอต่างหากที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเลิกสนใจกับยุงพวกนี้เสียทีเข้าไปเจ้ากลับไปนอนอย่างเชื่องเชื่อคราวนี้ไม่มียุงหน้าไหนเฉียดเข้าใกล้ตัวอีก จึงได้ถึงบางอ้อว่าที่อาจารย์ยอมให้ไปซื้อหามุ้งมาใช้นั้นก็เพื่อจะเอาใจข้าพเจ้าตัวท่านเองมีได้กลัวยุงเลยด้วยอำนาจแห่งโยคะที่มีท่านสามารถป้องกันไม่ให้พวกมันเข้าถึงตัวหรือจะใช้วิธีเข้าฌานเพื่อหนีความรําคาญจากการถูกยุงกัดไปเสียเลยก็ย่อมได้ ท่านจงใจแสดงให้เราดูนั่นเป็นสภาวะธรรมที่เราต้องภาคเพียพรพยายามไปให้ถึงให้จงได้โยคีที่แท้ต้องสามารถเข้าผ่านสู่สภาวะอภิจิตสำนึกและคงสภาวะนั้นไว้ได้แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยอ น, นามาซึ่งความฟุ้งซ่านในทางโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวมทั้งเสียงยุงเสียงแมลง หรือกระทั่งแสงสว่างในยามกลางวันก็ตามนี่คือบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของยุงนะคะซึ่งเป็นบทเรียนบทต้นๆ ให้กับมุกุลทะในช่วงแรกเริ่มมาเป็นสิทธิ์ของอาจารย์สียุคเตสวนยังไม่จบค่ะยังมีเรื่องยุ่งอีกวันหนึ่งในเวลาพรเพรอากาศเริ่มเย็นอาจารย์ก็กำลังแสดงอัรถกถาเนื้อความในคำพีโบราณให้ฟังอย่างลึกซึ้งอัตถกถาก็คือขยายกำลังขยายความอธิบายความมุกุลทะก็นั่งอยู่ที่แทบเท้าท่าน ด้วยความรู้สึกสงบแล้วก็เป็นสุขอย่างที่สุดจูจูก็มียุงตัวหนึ่งมากัดบริเวณต้นขาในขณะที่ยุงเนี่ยกำลังเจาะเข้าใต้ผิวหนังนะคือกำลังปักปักปากของมันเนี่ยลงบนต้นข า, ม, ามุ ก, กุลทะก็ยกมือขึ้นไม้จะเอาคืนโดยอัตโนมัติคือ ยกมือหมายจะตบยุงโดยอัตโนมัติแต่ยังไม่ทันที่จะได้ลงมือเขาก็นึกถึงคำสอนเรื่องอหิงสาคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ยั้งมือเอาไว้ว่าแหมเกรงใจอหิงสากันละกันก็เลยเปลี่ยนใจไม่ตบยุงแต่อาจารย์บอกว่าทำไมไม่ตบมันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยล่ะครูคุณท่าก็ตอบว่าอาจารย์นี้ท่านสอนให้กระผมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือขอรับ เป่าแต่เมื่อพิจารณาจากจิตของเธอเธอได้ตบยุงตัวนี้ตายไปเรียบร้อยแล้วกระผมไม่เข้าใจขอรับท่านก็เลยอธิบายว่าคำว่าไอาหิงสานั้นท่านปตันชฉลีหมายถึงการถ่ายถอนความปรารถนาที่จะฆ่า mm hmm. ก็คือท่านสามารถที่จะอ่านวาระจิตของลูกศิษย์ได้ว่าใจเนี่ยอยากจะตก อยากจะตบไอ้เจ้ายุงตัวนี้เนี่ยใจเนี่ยตกไปแล้วแต่มือเนี่ยยั้งเอาไว้ได้ทันท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ไม่ต่างกันเพราะว่าเจตนาฆ่าอยู่แล้วและท่านก็อธิบายต่อว่าโลกใบนี้ถูกสร้าง ให้ปฏิบัติตามหลักอหิงสาได้ยากยิ่งมนุษย์เราอาถูกบีบให้ต้องกำจัดสัตว์ที่เป็นอันตรายทิ้งให้สินส้นซาแต่ใช่ว่าเขาจะตกอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นให้รู้สึกโกรธเกรียดเครียดแค้นสัพพชีวิตทั้งหลายย่อมมีสิทธิ์เท่าเทียมกันภายในอนาณาจักรแห่งมายานี้โยคีผู้เข้าถึงความลับแห่งการสร้างสารรค์ย่อมปฏิบัติตนให้สอดคล้อง เข้ากับปรากฏการณ์อันหน้าพิศวงของธรรมชาติในทุกรูปแบบถ้าก้าวข้ามความต้องการทำลายล้างลงไปได้มนุษย์ทั้งหลายก็อาจจะเข้าถึงสัจธรรมข้อนี้ได้อาจารย์ขอรับเช่นนี้แล้วเราควรจะเสียสละตนเองแทนที่จะฆ่าสัตว์กระนั้นหรือขอรับไม่ใช่สังขารของมนุษย์ถือเป็นสิ่งล้าค่า ด้วยคุณค่าแห่งวิวัฒนาการอันสูงสุดในรูปของสมองและศูนย์จักรบนกระดูกสันหลังอันเป็นเอกลักษณ์ผิดไปจากสัตว์ทั้งปวงทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงสามารถเข้าใจซึ่งและแสดงออกซึ่งแง่มุมอันสูงส่งของทิพยอําอับหน้าได้อย่างเต็มที่สัตว์อื่นๆไม่มีความสามารถเช่นที่ว่ามานี้เป็นความจริงที่ว่าเมื่อมนุษย์ถูกบีบให้ต้องฆ่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น เขาได้ก่อนนี่เวนี่กรรมขึ้นแต่พระคำพีศักดิ์สิทธิ์ก็สอนเอาไว้ว่าการไม่รักษาไว้ซึ่งร่างกายของตนปล่อยให้สูญเสียไปโดยใช่ที่ย่อมถือเป็นความผิดบาปอันร้ายแรง เพราะฉะนั้นการไม่ดูแลตัวเองการฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นความผิดบาปนะคะบูกุนท้าถอนใจอย่างโล่งอกคำสอนที่สนับสนุนให้มนุษย์เราป้องกันตัวเองตามสัญชตาตญาณนั้นใช่จะมีปรากฏให้เหตุนในพระคำผีได้ง่ายๆและก็เคยมีเรื่องเล่า เกี่ยวกับการที่อาจารย์เนี่ยเคยเผชิญหน้ากับสัตว์ ร, ร้ายท่านไม่เคยเผชิญหน้ากับเสือดาวหรือว่าเสือโครง่งแต่ท่านเคยเผชิญหน้ากับงูค่ะเรื่องราวจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนติดตามได้ตอนหน้านะคะชีวิตโยคีตอนที่11ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ได้ทางวิดีุ